ไม่น่าอาศัศจรรย์ใจเลยที่สติดีขึ้นผิดหูผิดตาราวกับหลุดออกมาจากเมืองในหมอกและตรงนี้คุณจะย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับการบริการพุทโธกับสวดมนต์ได้ว่าแตกต่างกันอย่างไรการบริการมพุทโธช่วยกักจิตของคุณไว้กับคำคำหนึ่งตายตัวเพื่อไม่ให้จิตแสบสายสุ่มคำขึ้นมาเองและเมื่อจิตไม่แสบสาย